อย่ห่วงเลยยอดรักขอให้ฉันกอดยอดรักอย่างนี้ไปจนตายเถอะผมปลอบเธอรําเพยเงยหน้าขึ้นจูบผมอย่างไม่อยากเลิกสุดที่รักของเมียเธอพูดเมียจะทําคุณไปทุกแห่งผมสุขใจอะไรเช่นนั้นจูบตอบเธอแล้วชวนกันไปอาบน้ําเมื่ออาบน้ําแล้วผมนึกได้ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยผมบอกกับรําเพยว่าผมจะออกไปซื้ออาหารการกินขอให้รําเพยคอยก่อนรําเพยหัวเราะแล้วก็จูบผมพร้อมกระซิบว่า